ก่อนเกิดเป็นดังตรินตอนรู้สึกผิดที่เกิดมาโดยดังตริน ท่นที่ผมอายุเพิ่งสิบขวบผมก็รู้สึกอยู่เกือบตลอดเวลาว่าอายุของตนเองสั้นหรือเวลาให้ทำอะไรน้อยแต่นั่นเป็นแค่ปมหนึ่งผมยังมีปมทางใจอีกหลายข้อที่หาคำอธิบายไม่ได้ข้อแรกผมอ่อนไหวอะไรและใจหายกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวตอนอายุสี่ขวบคุณแม่จะถ่ายรูปผม และสั่งให้ผมยืนตั้งท่าเข้ากล้องเก๋ๆหน่อยผมเลือกที่จะทำท่าโบกมือลาในใจตอนนั้นรู้สึกอยากให้เป็นภาพที่ทุกคนจะเก็บไว้คิดถึงผมและตอนอายุก่อนสิบขวบผมเคยแกล้งหลอกน้องชายว่าจะหนีออกจากบ้านเพียงเพื่อสะใจที่เห็นเขาร้องไห้และวิ่งตามจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากผมแค่ยัดเยียดความอาลัยไปฝากไว้กับเหยือสักราย หรือหลายๆรายแทนที่จะเป็นฝ่ายอะไรเสียเองข้อ2ผมชอบทำตัวเป็นพวกกล้าบ้าบิ่นขี่จักรยานผาดพนเสียงแขนขาหักควบม้าเร็วๆหนีคนคุมบึ่งสกูตเตอร์ออกทะเลไปไกลๆแบบให้เจ้าของใจแป้วแต่กลัากลัวตานี้เรื่องไม่เป็นเรื่องเช่น นั่งอยู่ตอนหน้าของรถจะกลัวเป็นศพเละถ้าประสานงานกับ1ิบล้อและแม้ผมจะบูชาคนที่กล้าหาญกับทั้งมักได้รับการโหวตจากเพื่อนให้เป็นหัวหน้าแก๊งแต่ในความฝันยามหลับผมมักฝันเห็นตัวเองกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างด้วยความกลาดกลัวและตื่นขึ้นมาแบบขวัญหนีดีป่ออย่างประหลาดเป็นประจำข้อ3าม ผมเป็นพวกต้นแรงปลายแผ่วเช่นมักเป็นจุดเด่นในสายตาของครูเหมือนเรียนเก่งและน่าจะเป็นที่หนึ่งแต่ก็ไม่ใช่และโดยไม่ได้นัดหมายบรรดาครูบาอาจารย์มักจะเอ่ยเข้าหูผมด้วยสำเนียงผิดหวังเสมอคือเธอเนี่ยท่าดีทีเหลวนั่นอาจเป็นคำตำหนิที่ทำให้เด็กๆรู้สึกแย่กับตัวเองแต่สาหรับผมแล้วคาติดเตียนของครูไม่ได้มีความหมายนัก เพราะฟังผ่านๆแบบทำหูทลลมจนชินแต่คำที่ไม่มีใครว่าผมผมเห็นหรือได้ยินของผมเองกลับทำให้เกิดความเจ็บปวดและรู้สึกผิดได้อย่างน่าแปลกเช่นคำว่าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าผมไม่เข้าใจว่าทำไมรู้แต่ว่าตัวเองเพียนระวังอย่างมากที่จะไม่ทำตัวเป็นคนประเภทตั้งใจเองและล้มเลิกเยเอง เท่าว่าก็มักหนีไม่พ้นผมเปลี่ยนใจง่ายเลิกล้มความตั้งใจง่ายเสมอไม่รู้หรอกว่าเครื่องรบกวนจิตใจในวัยเด็กทั้งสามข้อข้างต้นโยงใยถึงกันและมาจากต้นเหตุเดียวกันในความไม่รู้ก็เห็นแต่ว่าผมรู้สึกไม่พอใจในตนเอง ไม่พอใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่พอใจวินาทีปัจจุบันแลบีบให้ใจคิดฝันว่าเป็นคนอื่นมีชีวิตใหม่ในโลกอื่นตลอดจนผูกยึดอยู่กับอดีตที่ล่วงไปแล้วกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่างรุนแรงหากคุณเคยผ่านประสบการณ์เหม็นเบือ่อไม่อยากทำอะไรเลยเห็นงานวางอยู่ตรงหน้าจะอยากหันหนี คุณคงเข้าใจความรู้สึกในวัยเด็กของผมได้ดีมันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับถ้าใครบอกว่านี่เป็นภาระของเธอเธอต้องรับผิดชอบเธอต้องจัดการสาสางให้เสร็จสิ้นภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ผมจะอธิษฐานขอให้มนุษย์ต่างดาวมาดูดตัวผมขึ้นจานบินจะเอาไปทดลองจนตายคาเตียงผ่าตัดก็ยอมขอแค่ได้หนีหายไปจากภาระที่จะต้องเผชิญเป็นพอ ความไม่อยากทำอะไรนำไปสู่ความรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าไม่มีค่าไม่มีราคาไร้ความหมายไร้ธงชัยใดๆเป้าหมายที่ว่างเปล่าเป็นอะไรที่น่ากลัวผมวิ่งหาสิ่งที่ตัวเองรักและพอใจจะเสียเวลาอันน้อยนิดในชีวิตนี้ให้กับมันผลคือถ้าผมอยากทำอะไรผมต้องทำให้ได้ในวันเดียวหรื อ, อย่างมากที่สุดไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ หาเกินกว่านั้นจะรู้สึกว่าไม่สามารถทําให้สําเร็จก่อนตายอย่างเช่นได้ยินพี่คนหนึ่งเล่นกีตาร์คลาสสิกผมก็จะรีบเร่งหัดเล่นทั้งวันทั้งคืนกระทั่งเล่นได้ทั้งเพลงภายในหนึ่งอาทิตย์ด้วยวิธีฝึกตามโน้ตเอาทีละห้องอย่างมีน้ํำอดน้ําทนจนครบหรืออย่างเช่นหมากลุก เมื่อเกือบ30ปีก่อนมีพี่คนหนึ่งสอนให้เล่นผมติดใจมากแต่หาเพื่อนเล่นไม่ได้จึงต้องขอให้คุณพ่อซื้อมากรุ๊ปคอมพิวเตอร์มาให้และนั่นก็เหมือนผมได้เพื่อนคู่ใจผมอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนชนะระดับสซึ่งรู้สึกว่าเก่งได้ภายในเดือนเดียวและใช้เวลาประมาณครึ่งปีชนะระดับเจซึ่งเป็นระดับสูงสุดสาหรับเครื่องในยุคนั้น แต่ผมก็เบื่อง่ายและทนเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ลึกจริงๆไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่อาจเอาชนะปัญหาใหญ่อย่างการเรียนหนังสือผมไม่อาจเรียนหนังสือให้จบปริญญาได้อย่างรวดเร็วเหมือนเล่นกีตาร์และหมากรุกไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนยอมให้เป็นเช่นนั้นและต่อให้ผู้ใหญ่ยอมผมก็พบว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอจะทำได้หรอกนั่นเองทำให้ผมยังไม่รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเอง หรือมีจุดหมายปลายทางให้พ้นความทรมานใจได้สักทีความขัดข้องและข้อขัดแย้งต่างๆในชีวิตนำไปสู่คำถามมากมายทำไมผมต้องเกิดมาคนเราดีแล้วแค่ไหนก็เพียงเพื่อจบสิ้นอย่างสูญเปล่ากระนั้นหรือค่าของชีวิตคือการทำอะไรที่มีค่าเพื่อให้ได้ตายอย่างภูมิใจเท่านั้นเองหรือ กระทั่งมีคนพูดถึงการระลึกชาติให้ได้ยินผมก็สนใจและคิดว่าถ้าระลึกชาติได้คำตอบทั้งหมดก็อาจอยู่ที่นั่นเพราะสำหรับผมผมไม่ได้อยากตายอย่างภูมิใจเอาแค่ให้เข้าใจที่มาของตนเองพอจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องรู้สึกผิดที่เกิดมาก็พอแล้ว